วันนี้เป็นวันมาชาคุณณมิมีเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศา ส, สนาวันหนึ่งบรรดาผู้นับถือพระพุทธศา ส, สนาวันนี้จะต้องประชุมกันบูชาวระฤนึกถึงพระพุทธเจ้า พระทาถือพระองค <c oughs> ์ดำรงพระชุมอยู่วันนี้เป็นวันประชุมใหญ่เรียกว่าเจตุช <c oughs> นิบาตคือเป็นวันประชุมที่พระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยเกี่องปฏิโมกขขึ้นและการประชุม ทำอุโบสถเรียกว่าอันดสุดที่อุโบสถคือปูเองอุโบสดทั้งหมดล้วนต่อเป็นพระทีนาศกคือพระอรหันต์ไม่ใช่เป็นพระบูรุษชนแม่แต่องค์เดียวไม่มีจำนวนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์ตรงกับบันยินสามเพจนี้วันนี้เิดนั้น ตั้งแต่วันที่พราองค์จรงทำอุโบสถ ว, วันนั้นมามันจัดให้ที่สุสงในศาสนาลงอุโบสถกันทุกกึ่เดือนถ้าองค์ใดไม่มีทักผูพอภิชิจะทำอุโบสถไ ด, ด้ทำสังฆกรรมได้ในการตรวจปฏิโมก ก็ให้บอกบริสุทธิ์กันเพื่ออธิษฐานบริบสุเกิดนั้นจึงเป็นวันสำคัญที่พวกเราท่านควรระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าและสาวกที่เป็นผีนาศพวกเราที่ได้มาบูชาสัากระเยียนเทียนในวันนี้ก็นับว่า มาละลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าและทิสุสงเหล่านั้นนี่ใช่ว่าเป็นวันปกติธรรมดาอย่างวันชะที่ผ่า น, านมาวันเช่นนี้ทางราชสการบ้านเมืองก็มีการหยุดราชการไม่ทำงานทุกแผนกไปเพราะตั้งใจจะละลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าและเหล่าทิสุสง เป็นบันพิเศษมหามงคลเหตุนั้นที่พวกเราท่านได้อุตสาห์พยายามเข้ามาวัดปฏิบัติเรื่องอาเนสบูชาอย่างที่พวกเราทั้งหลายได้ถวายดอกไม้ถูกเทียนต่อพระศาสดานั่นเป็นฝ่ายอานนสบูชา สวนปฏิบัติบูบชาหมายถึงพวกเราจะต้องราลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคําแนะนําคำสอนของพระ อ, องค์คําสอนของพระ อ, องค์เป็นของส่มีคุณค่าราชามา่อหากพระองค์ไม่อุบัติตรัตสรูและแนะสอนพวกเราพวกเราก็จะไม่เข้าใจว่าเรื่องอันใด ดีชั่วสิดถูกเหตุนั้นที่พวกเราได้พากันประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอาศัยทำคำสั่งสอนของพระ อ, องค์ซึ่งเน่ไว้สอนไว้ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นสรุปรวบรวมลงในโอวาทพปาจิโมกแล้วพระ อ, องค์ กล่าวว่าถ้ปาป่าปะอาจารณังปุสาะละสูปสัมปชาใสจิตตปิโยธาปานังเอตังพุทธานาคาสันังคำสอนของพระพุทธเจ้าในอดีต ท, ที่ล่วงไปแล้วจะเป็น 40, 000, 000, 000กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านตตามและคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ยังเหลืออยู่เป็นอนาคตวงจะมากม า, กายกายกองสัก 40, 000, 000, 000กี่แสนกี่ล้านตตามสรุป รวบรวมความเห็นของพระพุทธเจ้าด้วยคําสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนในเดียวกันคือสอนที่ว่าสัพปตาปะชาอัจลริยนังสอนให้บุคคลทั่วไปไม่ทำทั่วความทั่วความเสียหายความทุกข์ความเศ่าหมอง ทุกอย่างถ้าพุทธเจา้าให้ไม่ให้มนุษย์ผู้ที่มีจิตใจสูงไปประพฤติหรือไปกระทำเข้าเพราะความชั่วเหล่านั้นถ้าหากบุคคลผู้ใดทำลงไปจะมีความร้อนในจิตในใจของตนจะมีความทุกข์จะมีความลำบากจะมีความเศร้าหมอง จะมีความขุ่นมัวในจิตในใจทัองตนถึงเราจะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นทางชั่วแต่เราทําลงไปจิตใจของเรามัวหมองจิตใจของเราเดือดร้อนสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ห้าไว้กว่าตัาง้งก็เป็นความชั่วอยู่ในวงธีบะสัพพะปาปะสะแต่จารย์นั้นแค่มาเหตุทำกรรมชั่วส่วนนั้น จะเป็นธรรม้วยกายกว่าตามธรรม้วยวาจาคือการพูดกว่าตามธรรม้วยใจคือการคิดกว่าตามกรรมเกิดจากทวารทั้งสามคือกายวาจาและน้ำใจทั้งสามทวาร น, นี้บุคคลผู้ใดติดเอาไว้ไม่ไปทําในความชั่วเหล่านั้นความชั่วเหล่านั้นก็ไม่เหตุผล ทำให้ตนของตนเดือดร้อนวุ่นวายจะอยู่เป็นสุขสนุกสนานเพราะการไม่ได้ทำชั่วไม่มีโทษไปสถานที่ใดเป็นผู้สามารถอาถรรพแก้ต้างในสถานที่ถั่วไปเพราะกายวาจายใจไม่มีโทษย่อมไม่คิดเห็นว่าบุคคลผู้ใดตายผู้หนึ่ง จะมาจับคุมคุมตัวหรือจะมาลงโทษเพราะความชั่วที่ตัวประพฤติปฏิบัติไปเหตนั้นผู้ที่ไม่ทำกรรมชั่วจึงเป็นผู้องอะจจึงเป็นผู้กล้าหารไปในสถานที่ใดไม่มีความชินแหน่งแทงใจว่าคนนั้นจะมาทำอย่างนั้นคนนี้จะมาพูดอย่างนี้เพราะพิจารณาดู กรรมที่ตนกระทำลงไปทางกายทางวาจาทางใจบริสุทธิ์มีความเยือกเย็นเ็นสุขอยู่ทุกสถานที่ไปเพราะเราลึกลึกคิดถึงการกระทำผิดของตนไม่มีเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงแน่สอนอยากจะให้พวกเราทั้งหลายทั้งบรลล่า ว, วังละเวน้นจากทางชั่วทั่วไป ผู้ใดประพฤตละชั่วไดไม่ทําชั่วทางกายทางวาจาทางใจอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเรียกว่ากับพระตาประกษจารนิงคือบุคคลผู้นั้นละเว้นจากความชั่วปูกต้องตามคาแนะนำํำคำสอนของพระ อ, อ, อ, องค์พระองค์พอพระไทยในทางเป็นไปของบุคคลเหล่านั้นแล้วสอนข้อต่อไปว่าผู้ชั่วร้ายะ็ซ้ำประทา จะให้พวกเราละชั่วเอาไว้จะทํากายวาจาใจท่อ ง, นง ส, ง ส, งสนให้ถึงสึ่งบุญซึ่งกุศลให้ถึงเป็นความดีสิ่งใดจะดีทางตายสิ่งใดจะดีทางวาจาสิ่งใดจะดีทางใจคานึงคํานวณถึงชีวิตของเราชีวิตของเขาสิ่งของของเราสิ่งของของเขาทุกเส้นทุกส่วนไป สิ่งเรารักให้ชีวิตของเราอย่างไรก็ส่งรักให้ชีวิตของบุคคลผู้อื่นอย่างนั้นสัตว์อื่นอย่างนั้นแล้วไม่กล้าล่วงทําความชั่วไปก่อป่วยทําความดีสิ่งใดที่จะทําให้บุคคลผู้อื่นมีความเยือกเย็นเจริสุขมีความสะดวกสบายทางกายทางใจของเขาอุตส่าห์จะทําเอาส่วนเหล่านั้นตัวของเราเองก็เหมือนกัน คิสิ่งใดทําสิ่งใดพูดสิ่งใดจะทําจิตทาใจของตนให้เยอกเย็นเป็นสุขก็ให้ทําให้พูดให้คิดในสิ่งเหล่า น, นั้นผูดที่ทําความดีทางกายทางวาจาทางใจหรือทําความดีในการให้ทานในการรักษาศีลในการเจริญเมตตาภาวนะาพระองค์กล่าวว่ากุศลจูปั้ม ป, ปายาชื่อพูดถึงซ้อม โดยบุญโดยกุศลประกวยคุณงามความดีใส่กายใส่วาจาใส่ใจท่องตนผู้เช่นนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติถูกต้องตามคําสอนของพระองค์อีกเหมือนกันบุคคลเราทั่วไปไม่ว่าประเทศไทยหรือต่างประเทศหากมีการละชั่วบําเพ็ญดีอย่างคําสอนของพระพุทธเจ้า คือก่าว่าถ้าพลตาประตาตรกระนังกูจะรัสูไปรัสงมประธาหาทุกท่านทุกคนละชั่วบาเพ็ญดีโลกนี้จะเป็นเมืองสวรรค์ขึ้นในทันทีทีเดียวเพราะเหตุใดเพราะสวรรค์ไม่มีการเบียดเบียนกันไม่มีตารางหรือเจ้าหน้าที่จับกุมรักษากูสี่มีฮิริโอตตปะ เป็นธรมของเทวดาคือผู้อายชั่วกลัวชั่วได้ชื่อว่าผู้เป็นเทวดานี่มนุษย์ทั่วไปถ้ากลัวความชั่วไม่ทําชั่วแล้วบาเพ็ญคุณงามความดีตามคาแนะนําำผลสอนของพระพุทธเจ้าที่สาวอ่ะปุถะสุไปทะาประชาแล้วเมืองมนุษย์ก็เป็นเมนืองสวรรค์อยู่ดีๆไม่มีบคุคคลผู้ใดจะมาฆ่าตีหรือ เบียดเบียนกันด้วยอำนาจีิริธรรมคือความอายบาจะอยู่ในสถานที่ใดก็ละอายอยู่ในใจข้องตนเพราะบาปนั้นบุคคลใดจะทำลงไปจะเป็นคนตระกูลใดชาติใดก็าตามบาปย่อมแทดเผาหรือคนทำบาปเหล่านั้นไปสู่สังคม สถานที่ใดมีใจเศร้าหมองหรือไม่มีความองอาจป่างหารเพราะการทำบาสยอมบอกให้เสียใจของตนอย่างนั้นกลัวเขาจะทักกลัวเขาจะว่ากล่าวเพราะการกระทำของตนเป็นไปในทางชั่วหากบุคคลผู้ใดมีความละอายใจในเรื่องการกระทำบาปอย่างนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ละ จากบาปเหล่านั้นได้และจะมีความสุขความสบายในใจคิดขึ้นภายในก็มีความเยือกเย็ยนไม่คิดเห็นเด่นชัยที่จะได้รับาการจาดการทำของตนการรักษาความชั่วการไม่ทําความชั่วการกระ ท, ทําบําเพ็ญความดีมีอา น, นิสงส์อย่างนั้น การทำอย่างนี้ได้ชื่อว่าการํำระจิตของตนทำจิตของตนซึ่งเป็นภาสิข้อสี่สามที่ว่าไตจิตาป ร, ริโยธาปานังเอตังพุทธังาศาสังเพื่อจิตเมื่อคิดถึงการทำทั่วไหม่มีกขอบุยทำคุณงามความดีสม่ำเสมอไปจิตใจ จต้องผใสจิตใจจะต้องเยือกเย็นเป็นญการําระจิตของตนไปในตัวเหตุนั้นผู้ที่ไม่ทําความชั่วบําเพ็ญความดีจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ําระจิตใจของตนจิตเคยกังวลวุ่นวายจิตใจเศร้าหมองจิตเคยเดือดร้อนที่เคยเป็นทุกข์ใได้รับความสุขความสบายความเยือกเย็นความผองใส ใจเมื่อมีความดีเชียงพอบริบูรณ์แล้วก็เปรียบเหมือนต้นไม้ที่เราได้ให้ปุ๋ยหรือรดน้ำบำรุงอยู่สม่าเสมอไปดอกผลของต้นไม้ที่เราบำรุงอยู่สม่าเสมอจะต้องตกดอกออกผลเมื่อตกดอกออกผลก็ย่อมได้รับ คุณขาราชาสำหรับผู้ที่ปลูกวังเอาไว้จะขายหรือจะบริโภคเฉพาะต้นก็ได้ตามความมุ่งมากสาธาระถ้าหากบกากาุคคลไม่รักษาส่วนลำของมันไม่บำรุงให้มันเติบโตขึ้นส่วนไม้เป็นบางอย่างก็งอกงามขึ้นไม่ได้อยากได้รับแต่ผลของมันแต่ต้นของมันไม่รักษา หรือไม่ปลูกไว้เสียอย่างนี้ยอมเป็นไปไม่ได้มีพวกเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่มุ่งอยากจะมีความสุขตายสบายใจแต่เท่าทีาเหตุคือความชั่วเราไม่ละเราไม่สังบอนความดีที่พระพุทธเจ้าสอนเราไม่ได้ไกระทำบำเพ็ญเหตุนั้นจิตใจของเราท่านจึงได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายเมื่อเหตุ ดีในรักษาเหตุชั่วกระทำบำเพ็ญอยู่อย่างนั้นผลความชั่วก็ยอมแผดเผาความดีที่เราปาตถนาก็ยอมไม่สมหวังเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้พวกเราละความชั่วบำเพ็ญความดีจิตใจของเราที่เคยวุ่นวายเศร้าหมองจะเกิดผ่องใสขึ้นเมื่อจิตใจห่องใสจิตใจเยือกเย็นด้วยอำนาจความดี ที่เราบำเพ็ญตะทำมาจิตใจจะต้องมีคุณค่าจิตใจจะต้องมีราคาตัวของตัวเองก็มองเห็นผลประโยชน์หรืออนิสง์ของการทําความดีอย่างนั้นเราลึกนึกคิดเมื่อใดยอดเต้นใจในชีวิตที่ผ่านมาอย่างวันมาคาบูชาเป่นวันนี้เราก็ได้มาทําคุณงามความดีคือได้บูชาด้วยดอกไม้ทุกเทียน จะได้กราบได้ว่าได้ระ ล, ลึกนึกถึงโอวาทคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ได้ชื่อว่าเราสร้างความดีประทับกายประทับใจของเราไว้ระ ล, ลึกนึกคิดเมื่อใดถีงการกระทำบำเพ็ญอย่างนี้เราจะไม่มีความกินแหนงแทงใจว่าสิวิตของเราในวันมาคีนั้นได้ผ่านไ ป, ปลา่า เราได้มาสัตการบูชาและสดับรับฟังคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นทางบุญทางกูศสนไม่เสียผลเสียประโยชน์ที่เราเกิดมามีชีวิตเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเช่นนั้นทุกท่านทุกคนจงคำหนึ่งคำนวณถึงตนอยู่ทุกการทุกเวลาไปว่าเราเกิดมาขนาดนี้ได้ทำความดีประจำวันของเรา อย่างไรหากเราละลึกนึกได้ว่าวันนี้ยังไม่ได้ไปพระหรือยังไม่ได้ภาวนาหรือไม่ได้ทําคุณงญญกามดีอะไรก็รโอกาสที่เราละลึกได้เราจะต้องทําถ้าหากเราไม่ทําหรือเราไม่ระลึกนึกถึงชีวิตของเรามันจะเศร้าหมองหรือมันจะเสียหายอย่างไรผลลายได้รายเสียจากชีวิตที่ผ่านไปวันหนึ่ง ไม่คำนึงคำนวณถึงอย่างนั้นได้ชื่อว่าเราขาดทุนสูญกําไรไม่ละลึกลึกคิดถึงความดีอย่างไรผลที่สุดเราตายไปก็จะไม่มีที่สืนที่อาศัยเพราะความดีเราไม่สะสมเอาไว้เรามาสะสมคุณงามความดีก็ได้ชื่อว่าปรับปรุงจิตใจท่องตนให่เป็นคน ม, มาคาีค่ามีราคาขึ้นถ้าหากเรา ไม่ปรับปรุงความมีค่ามีราคามันน้อยลงไปเหมือนกันกับต้นไม้หาปล่อยเอาไว้ตามปกติธรรมดาข้องมันเราไม่บํารุงรักษาต้นลำข้องมันมันโกะชากว่าจะเห็ ด, ดอกออกผลให้หรือต้นไม้ในป่าเราไปเห็นไปเจอเข้ากับต้นไม้ต้นนี้มันสวยมันงามถ้าเราเอาไปทําเสาหรือเอาไปทําบ้านทําเรือนจะมีค่ามีราคาสิ้น แต่เจียงแจไปเห็นเสี้ยแล้วไม่ได้ตัดไม่ได้ฟันไม่ได้มาทำสารประโยชน์อะไรต้นไม้ก็คุณค่าน้อยเจีย ง, จงแจจะไปอาศัยร่มเงาของมันหรืออาศัยดอกผลของมันถ้าหาต้นไม้ที่มันมีดอกมีผลก็มีราคานิดหน่อยถ้าหาเป็นต้นไม้ที่ไม่มีดอกมีผลก็อาศัยแต่ร่มเงาเท่านั้น ถ้าหาบุคคลผู้ที่เฉรียวฉลาดไปเห็นต้นไม้ในปา่าเห็นว่าสวยสดงดงามพอจะทำประโยชน์เป็นบ้านเป็นเรือนได้เรามาตัดมาเลี้ยมาทำเป็นตู้เป็นเตียงหรือทำเป็นบานเป็นเรือนของเราแล้วคุณค่าราชาสารประโยชน์ของต้นไม้ย่อมมากขึ้นชั้นใดชีวิตของเราทุกคนก็เหมือนกันเกิดมามีชีวิตเป็นอยู่ จะเพียงแต่งแต่การกินการนอนเพียงแขนนี้เห็นความสุขแต่เพียงแขนนี้ก็ไม่แปลกอะไรกับเราอาศัยร่มไม้เวลาฝนตกนิดหน่อยก็พออาศัยได้ถ้าฝนตกหนักเข้าส่วนไม้ที่เราอาศัยต้านฝนไว้ไม่ได้จําเป็นฝนจะต้องลด ถ, ถูกตัวของเราได้รับความทุกข์ยากลําบาก หรือเราจะไปอาศัยแดดทางหากเราไปหยุดใต้ร่มของต้นไม้แดดทางหากตะวันขึ้นมันก็เป็นอย่างหนึ่งตะวันบ่ายมันก็เป็นไปอีกอย่างเที่ยงมันเป็นไปอีกอย่างหนึ่งเงาของมันทางหากมาทําบ้านทําเรียนตอนเช้าเราก็อาศัยได้ตอนเที่ยงตอนบ่ายเราก็อาศัยสบายฝนตกฝนลง้างหากเราทําบ้านทําเรียนของเราดีมันก่อไม่รู้อะไร ใส่ตัวของเราได้รับความสุขความสบายกายใจของเราก็เหมือนกันหากเราท่านมันประพฤติปฏิบัติชำระทั่วออกจากตัวของตัวประพฤติคุณงามความดีปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมประจาตัวเขา้าจิตใจของเราสี่เคยขัดข้องสี่เคยวุ่นวายกังวลแช่ใายไ่ตามสัญญาอารมณ์ก็จะสงบนิ่งเงียบมีความสุข ความสบายตลอดการตลอดเวลาเหตุนั้นคุณค่าของมนุษย์เราถ้าหากบุคคลผู้ใดอาศัยความสุขเพราะการดินมการดื่มการหลับการนอนเพียงแค่นั้นความสุขก็มีนิดหน่อยไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอต่อความต้องการของเราถ้าผู้ใดมันฝึกจิตฝึกใจภาวนาอบรมจิตละชั่วบําเพ็ญดี ให้ทวีคูณขึ้นระลึลกนึกถึงการกระทำบำเพ็ญข้องตนเห็นว่าการกระทำของตนในวันหนึ่ ง, งเป็นผลเป็นประโยชน์ในทางดีแล้วพระกระทำทวีคูณขึ้นไม่ถอยหลังอุตสาหพยายามห้ามกัน้นเรื่องความชั่วที่ใจมันชอบเอาไว้พยายามปรับปรุงใจ ที่ไม่อยากทําดีให้แต่ทาดีทวีคูณขึ้นเมื่อบุคคลผู้ใดสอนใจของตนและกระทําตามเหตุตามผลที่พระพุทธเจ้าเนี้สอนผู้นั้นจะมีความสุขตลอดการตลอดเวลาผลที่สุดที่เหลือตัณหาที่เคยเกี่ยวข้องกลัวพันหรือปลุกรัดจิตใจของตนก็จะปล่อยวางออกหรือจะหมดไปจิตใจจะ ของใสแจ่มชื่นเบิกบานทุกการทุกเวลาพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าใ <c oughs> สจิตตะปรโยธาปานังเยตังพุทธานาสาสนังคือสอนให้พวกเราสําระความชั่วบำเพ็ญความดีสําระจิตของตนให้พุทธของจิตของเราถ้าหากไม่มีการอบรมไม่มีการกระทําไม่มีการสําระสะัจสังค่อยยากหนักหนาหรือไม่มีวันมีเวลาเอาเลย ที่จะส ง, งบยอดเย็นเกิดความสุขความสบายขึ้นได้เกิด <c oughs> แสงสว่างขึ้นได้หรือเกิดความบริสุทธิ์ขึ้นได้เหตุ น, นั้นพระพุทธเจ้าจึงให้พวกเราทั้งหลายอุตสาห์พยายามทำคุณงามความดีละความชั่วและสดจิตอบรมใจท่องสนให้เกิดความผ่องใสจิตใจหากไม่ปพปฏิบัติ จะไม่รู้ไม่เห็นว่าจิตใจเป็นอย่างไรเพราะอํานาจเรื่องของกิเลสตัณหาหุ้มหัวเอาไว้เหมือนกันกันกบเนื้อน้ําของเนื้อผ้าถ้าหากเราไม่มีอุบายที่จะทําเปลือกของมันหรือกลาของมันออกจะไม่พบไม่เห็นเนื้อหรือน้ําที่มีรสชาติอันดีจะพบตังแต่เปลือกของมันหรือกลาของมันเท่านั้น ชีวิตของเราท่านก็เหมือนกันความสุขเราจะเห็นแต่เพีงการกินการดื่มการหลับการนอนหรือเห็นแต่เพียงความสุขจอมปลอมที่พวกชาวปุถุชนหรือโลกทั้งหลายนิยมชมชอบกันเท่านั้นแต่ความสุขอันลึกลับความสุขอันแท้จริงความสุขอันลิเศษประเสริญยังมีอยู่อีกพระพุทธเจ้าจึงเนี้ย สอนให้พวกเราฝึกกายฝึกใจของเราให้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ฝุดขอความสอันนั้นเหมือน ก, นกันกับเนื้อหรือน้มะพ้าไม่เหมือนเปลือกหรือกลาของมันเปลือกกลาของมันก็คือความสุขของพวกผู้ทุชนที่ไม่ได้ฝึกจิตฝุกใจสุขเพราะการกินการดื่มการหลับการนอนการเผลการเชิญตามเสี้ยตัญหา แต่ความสุขที่ล้าค่าคือความสุขการฝลกจิตฝึกใจเข้าไปสงบหรือระงับดับกิเลสเป็นความสุขประเสริฐพิเศษยิ่งกว่าความสุขที่เราผ่านมาจากการหลับการนอนหรือการจินการดื่มต่างๆเหตุนั้นเรื่องเหล่านี้มันมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนที่พวกเราจะฝึกฝนหรือพวกเราจะอบรมให้เกิดให้เป็นให้เห็นขึ้น เพราะมันอยู่ส่วนลึกเหมือนกันกับแก่นของต้นไม้ธรรมดาแก่นของต้นไม้จะต้องมีเปลือกมีกระพี้พุ่มห่ออยู่ถ้าหากเราไม่ถากเปลือกหรือกระพี้มันออกจะไม่เห็นแก่นมันหรือเนื้อในของมะพ้าวถ้าหากเราไม่เอาเปลือกเรือกลามันออกจะไม่พบเนื้อพบน้ําที่มีหรรสชาติอันดี นี่ทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแนะนำํำซ้ำสอนพวกเราทั้งหลายก็เพราะว่าพวกเรามีของดีพิเศษอยู่ในตัวของเราทุกท่านทุกคนไปแต่เท่อว่าขาดการประพฤติขาดการปฏิบัติขาดการกระ ท, ทําบําเพ็ญพวกเราท่านจึงไม่เห็นความสุขอันประเสริฐวิเศษจึงไปสะคุกเงาว่าความสุขจะอยู่ในสถานถ่นั้นความสุขจะอยู่ในสถานถินี้เตลิดเปิดเบิงไปตาม ความคิดความเห็นของตนก็ค้นที่สุดก็เลยเนตประสบพบเห็นความสุขอันลิเศษประเสริฐ อ, อย่างพระพุทธเจ้าสอนเหตุนั้นวันสาคัญคือวันมาฆะเด่นนี้เราพึงระลึกนึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราละชั่วบําเพ็ญดีและให้ฝึกจิตฝึกใจของตนให้บริสุทธิ์ผองใสเราจะฝึกการใดเวลาใดจะฝึกวิธีไหน ใจิตใจของเราจรึงจะเป็นไปอย่างที่พระพุทธเจ้ า, าสอนเราต้องพิจารณาในตัวของเราอีเราจะฝึกการใดเวลาใดแต่เรายังเป็นเด็กเราก็มัวเมาเฝ่าฝันกับการเล่นต่างๆเป็นหนุ่มเป็นสาวมาก็เผลิเพลินกับเรื่องครอบครัวผัวเมียกันต่างๆมีคอบคัวผัวเมียมาแล้วออกอนน็อยากได้อันนั้นอยากได้อันี้ไม่มี วันมีเวลาทิ้นสุดได้มาแล้วความสุขส่วนนั้นเป็นอย่างไรก็พอจะระลึนกนึกได้ว่าแบบความสุขส่วนนั้นมันเป็นความสุขอย่างไรสมปรารถนาในจิตในใจของเราแล้วหรือไม่แล้วการใดเวลาใดชีวิตของเราผ่านมาจนอายุแกขนาดนี้เรายังจะโยนความดีไปไว้ข้างหน้าจะว่าเท่าเชี่ยก่อนแกเสียก่อน จึงค่อยจะฝึกจะสอนจะอบรมตนความคิดของบุคคลชนิดนี้ถ้าหากพูดตามสําหรับตาราพระพุทธเจ้าอ่ะเป็นผู้ประมาทจะมีชีวิตอยู่หมืน่นปีแสนปีก็ไม่ดีเท่ากับผู้ที่ไม่ประมาทอุตส่าห์พยายามตามรักษาจิตท่องตนและฝึกผลอบรมจิตข่องตนให้เข้าถึงธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะเกิดเพียงวันเดียวเท่านั้นยังดีกว่าบุคคลผู้ที่มีชีวิต มัวเมาอยู่ในความประมาณตั้งหมื่นปีแสนสี่เพราะเหตุใดเพราะความดีที่ผู้นั้นฝึกอบรมตนของตนเห็นผประจักษขึ้นความดีส่วนนั้นแหละจะเป็นที่พึ่งที่อาศัยเห็นความดีในใจของตนแล้วย่อมไม่ไปตะคุบความดีส่วนนอกหาแต่ความดีเพียงในจิตในใจเท่านั้น ก็เป็นความดีเพียงพออยู่แล้วไม่ต้องไปหาอันอื่นมาเพิ่มเติมหรือมาส่งเสริมขพ้นพอความดีทางจิตทางใจทห า, าดีจริงๆถึงจีต ถ, ถึงขั้นแล้วความสุขพอความสนุกเพิดเพลินพ อ, พอความยือกเย็นพอ <c oughs> ไม่เหมือนความสุขส่วนอานิจไม่เหมือนความสุขที่เราทุกคนที่เป็นผุทุชนสาธารณะส่วนความสุข ของโลกความทุขภายนอกเข้าใจว่าได้อันนั้นมาจะเป็นสุขก็ขสุขจึงแต่สุขตัวระยะเวลาที่เราชอบอยู่พอเดียเดียวจิตใจเหงื่หันปั่นป่วนหรือเปลี่ยนแปลงไปเป็นอันอื่นอยากได้อันใหม่เกิดทุกข์เข้าใจขึ้นอีกได้อันใหม่มาขัาอย่างเต่านั่นแหละสุขแต่เวลาได้พอเดียวเดียวก็หายไปอีกส่วนสุขทางใจ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 อยู่ในความประมาทตั้งหมื่นปีแสนสี่เพราะเหตุใดเพราะความดีที่สู้นั้นฝึกอบรมส่วนของตนเห็นผลประจักษขึ้นความดีส่วนนั้นแหละจะเป็นที่พึ่นที่อาศัยเห็นความดีในใจของตนแล้วย่อมไม่ไปแตะคุบความดีส่วนนอกหาแต่ความดีเชียงในจิตในใจเท่านั้นก็เป็นความดีเชียงพออยู่แล้ว ไม่ต้องไปหาอันอื่นมาเพิเ่มเติมหรือมาส่งเสริมขึ้นมพอความดีทางจิตทางใจสะอาดีจริงๆถึงจิตถึนขั้นแล้วความสุขพอความสนุกเพลิดเพลินพอความยอดเย็นพอ <c ười> ไม่เหมือนความสุขส่วนอาณิในเหมือนความสุขที่เราทุกคนที่เป็นผุ้ทุชนพัถนาส่วนความสุขของโลกความสุขภายนอก เขใจว่าได้อันนั้นมาจะเป็นสุขก็ขสุขจริงแต่สุขส่วนระยะเวลาที่เราชอบอยู่ประเดี๋ยวเดียวจิตใจเหฮัห น, ปนปัน่นป่วนหรือเปลี่ยนแปลงไปเป็นอันอื่นอยากได้อันใหม่เกิดทุกข์เข้าใจขึ้นอีกได้อันใหม่มากกว่าอย่างเต่านั่นแหละสุขแต่เวลาได้ประเดี๋ยวเดียวก็หายไปอีกส่วนสุขทางใจที่พระพุทธเจ้าอบรมแนะนำพร่มสอนให้ฝึก จิตึกใจองตนให้ได้รับความสงบหรือให้ได้รับความผ่องใสเป็นความสุขที่แน่นอนชัดเจนเห็นไปจับถ้าหากบุคคลผู้ใดประสบคบแล้วความสุขอันนี้จะไปทับใจอยู่ทุกการทุกทใหม่ได้อะไรซึ่งเป็นของที่โลกนิยมชมชอบว่าเป็นของดีมีค่าไม่สู้ได้เรื่องท้องใจที่อบรมบ่มนิสัย จนเข้าไปถึงความสุขความสงบได้ใจอันเดียวเท่านั้นเนี่ยคุณค่าราคาเพียงพอบรอิบูรณ์พระพุทธเจ้าจึงแนะสอนอยาก ใ, ให้พวกเราทุกคนมันฝึกฝนมันอบรมละเลื่ยงชั่วบาเพ็ญเรื่องดีหากบุคคลผู้ใดอุตส่าห์พยายามตั้งใจกระทำบาเพ็ญแล้วก็ไม่เหลือิสัสเพราะความดีส่วนนี้เป็ <c oughs> นของที่ มนุษย์ผู้ตั้งใจทำเอาได้แต่เหลือวิสัยสำหรับผู้ที่ทำหล่อแหละเหลวไหลเหลือวิสัยของบุคคลที่เฉียด้านถ้าหากบุคคลขยันหมั่นเพียรบุคคลยินดีที่จะกระทำบำเพ็ญจริงจังไม่เหลือวิสัยเหตุนั้นทำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงไม่ใช่ว่าจะเหลือวิสัยทั่วไปถ้าหากเราไม่ชอบใจเห็นอะไร ก็เหลือวิสัยทางนั้นถ้าหากเราชอบใจถึงจะยากลำบากายยาก็อุตส่าห์พยายามทําก็ไม่เหลือวิสัยหีนเป็นของแกน่นภูเขาทั้งลูกถ้าหากเขาเห็นว่าเป็นภูเขาเหล่านั้นมีทองหรือมีเพชรมีพลอยอยู่ในสถานที่นั้นถึงจะแกน่นจะแน่นจะแข็งเขาก็อุตส่าห์พยายาม ขุดพยายามทางังภูเขาเหล่านั้นจนภูเขาเปี่ยนเกียนไปหรือแตกสลายไปฉันใดคุณงามความดีในจิตในใจของเราถึงจะยากจะลำบากถ้าหากเรามีความเชื่อเห็นว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงและเมื่อทำ จิงจิตใจของเราควจะดิ่งถึงความสงบหรือถึงความสุขอันเลิศลอยอย่างนั้นถึงจะยากจะลําบากในการเหน็ดการเหนื่อยการเหนื่อยการหิว้วหรือการเจ็บการปวดต่างๆแต่เธอว่าถ้าหากเราไม่ทำํำทำสั่งสอนหรือจิตใจเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นก็อุตส่าห์ทำเอา ครามอุตสาพยายามจะทำบำเพ็ญไม่หยุดไม่ถอยทำกันอยู่บ่อยๆผลที่สุดก็เลยเคยสิ่งถ้าหากไม่ได้ทำคุณงามความดีข้ามวันข้ามคืนไปข้ามปีข้ามเดือนไปก็เกิดความเสีย อ, อกเสียใจเพราะเหตุใดเพราะความดีเหล่านั้นมันติดแน่นในจิตในใจของเราแล้วเหมือน ก, นกันกับพวกเราที่เคยทำความดีทุกวันทุกเวลานี้ เช่นเราเคยตักบาตรทุกวันทุกเวลาวันใดเราหนึ่งข้าหรือหุงข้าวขายไปช้าไปบินทบาทเราไม่ได้ตักบาตรเราก็เสียใจให้เราเพราะวันนี้ขาดตักบาตรไปชั้นใดผู้ที่บำเพ็ญคุณงามความดีทางใจภายในผมเ ง, งนินกันขาดเดินจงกรมขาดนัง่งภาวนาขาดการสําระสะัสะงสีจิตใจของตนย่อมตําหนิตนอย่างนั้น เพราะความสินเคยในการแต่ทำบำเพ็ญของตนถ้าบุคคลไม่เคยให้ทานไม่เคยตากบาทจังหันตั้งแต่วันเกิดมามีบุคคลผู้ไปชักชวนอยากจะให้ทาบุญให้ทานตากบาทจังหันอย่างนั้นอย่างนี้เกิดความเสียจิตเสียใจของของเราเราไม่ให้จะเป็นไรจะไม่ชักชวนคนอื่นทำไมเองมีทาถาก็าทาไปสิเกิดต่อว่าต่อเสียงกันขึ้น เพราะความไม่เคยเชินถ้าหาคนที่เคยเชืนถ้าหากในจิตใจอันอื่นทําอยู่ถ้ามาบินธบาตเราไม่เห็นเพราะยุ่งในการงานอันอื่นคนอื่นที่เขาไปตักบาตรเขากลับมาอยากจะดุจะดา่าจะว่าจะเปล่าเขาทําไมไม่บอกเราถ้าฉันมาบินธบาตเยาะจิตเย้ใจให้บุคคลผู้ไม่บอกเจ้าอย่างนั้นแต่ถ้ า, าคนไม่มีศรัทธาไม่เคย ทำคุณงามความดีเกิดเสียใจยในการที่เขามาบอกนี่เกิดเสียใจที่เขาไม่บอกตรงกันข้ามอย่างนั้นการทำคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นเราจึงฝึกจิต ส, ส, ด, ใสดใจของเราให้คุ้นเคยในคุณงามความดีเรื่อยๆไปอย่าไปปล่อยใจในเกี่ยวข้องสังคมกับเรื่องอืนอ่นหากเราทุกท่านพยายามรักษาคุณงามความดี เป็นส่วนว่าทานเราเคยแต่ทำบำเพ็ญเราก็ทำไปศีลเราเคยรักษาเราก็รักษาไปภาวนาเราเคยบำเพ็ญเราก็บำเพ็ญไปไม่ปล่อยวันเวลาให้ล่วงไปเสียป่าเราได้กต่ทำคุณงามความดีอย่างนี้ทุกการทุกเวลาไปจิตใจของเราจะเกิดห่องใสจะเกิดเยือกเยน็นเหมือนกันกับบ้านของเราปัดกวา ด, ดอยูบ่บ่อยๆความสวยงามหรือความเลี่ยงเบาของบ้านก็จะ ห น, ห, นหน่า น, นั่งหนานอนหนายู่หนาอาศัยถ้าหากเราปล่อยเอาไว้ฝุ่นลาอองที่ซิวมาจากสถานที่อื่นหรือเกิดขึ้นจากตัวของมันจะรกรุงลังไม่เป็นหน้า น, นั่งไม่เป็นหนานอนไม่เป็นหนายู่ไม่เป็นหนาอาศัยเพราะเราไม่มันปัดกวาดเป็นอย่างนั้นจิตใจของเราท่านก็เหมือนกันหากมคคมผู้ใดเคยตักบาตจังหันเคยเข้าวัดเข้าวาเคย ไปมาหาสู่พ้าเจ้าพระสงฆ์เคยสะดับรับฟังทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหากไม่มีเกิดความเสีย อ, อกเสียใจอยากได้ยิ่งหาตามหาอยู่ไกลแสนไกลก็ อ, อุตส่าห์พยายามไปเพราะเหตุใดเพราะเราเคยอยากนั้นเราก็ชอบอย่างนั้นเรายินดีอย่างนั้นถึงบุคคลผู้อื่นเขาจะจำนี้อยู่ดีๆไม่เป็นบ้านมีเรือนมีทาไมไม่อยู่ จะไปอยู่ป่าอยู่เขาไปนอนวัดนอนวาให้ยุงกัดยุงกินทําไมบ้านเรียนพวกเรามีเราจะทําคุณงามความดีอยู่ในบ้านในเรือนก็ได้เราฟอไม่ฟังเสียงของเขาเหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะใจของเรามันเคยอย่างนั้นเคยฝึกอย่างนั้นเคยได้รับความสะดวกสบายอย่างนั้นถ้าหาบุคคลที่ไม่เคยตรงกันข้ามมีผู้ไปบอกไปสอนมีผู้ไปชักไปชวนเกิดความเจ้าอกเจ้าใจขึ้น เหตุนั้นนิสัยของมนุษย์เรามันจึงต่างกันคนที่อยู่ในนิสัยอยากคนที่มีความคิดความเห็นแก่ตัวมักอยากจะโทษหรือตำหนิบุคคลผู้ที่มีจิตใจดีจิตใจสูงแต่บุคคลที่อยู่ในสถานที่สูงก็ย่อมมองเห็นอีกเหมือนกันจิตใจเขาต่ำช้าลามกอยากจะให้เขายกระดับจิตของเขาให้ได้รับ ความสูกความสบายต่อไปจึงอุตส่าห์พยายามแก้ไขพยายามตักเตือนพยายามแนะสอนจิตใจถ้าหากสูงขึ้นไปได้ย่อมมองเห็นจิตใจของบุคคลผู้อื่นหรือสัตว์อื่นถ้าหาอยู่ต่ำมองไม่เห็นเคยอธิบายเคยเล่าให้ฟังเรื่องบุคคลที่อยู่ในที่ต่ำอย่างอยู่ในหลุมในบ่อจะมองเห็นอะไรได้เพียงนิดหน่อยเล็กน้อยเท่านั้น จะมีอะไรอยู่ข้างบอ่อสร้างมากมายกายฟองกอมองไม่เห็นเพราะเราอยู่ในที่ต่ํามีอะไรปิด บ, บังตาของเราถ้าหาเราขึ้นภูเขาสูงสูงเราจะมองเห็ น, ย อ, น, น, อ ย, น, นยอดเขาลูกนู้นอยู่นั้นยอดเขาลูกนั้นอยู่ทางนั้นเรามองเห็นขนาดชาัดเจนทุ่งหรือบ้านอยู่ในสถานที่ใดเรามองเห็น เหตุนั้นจิตใจที่ท่านฝึกหัดดัชนีใสของท่านจนจิตจนจิตใจที่สูงเด่นก็ย่อมเห็นจิตใจของบุคคลที่อยู่ในสถานที่ต่ำได้ขนาดชัดเจนพระพุทธเจ้าเห็นอานิสงส์การฝึกจิตอบรมใจอย่างนั้นท่านจึงแนะสอนพวกเราเหล่าประชากรหัวไปอยากจะให้บําเพ็ญจิตใจของตน ให้เห็นผลคือความสูงเด่นขึ้นไปจากระดับต่ำคือเรื่องที่เดลดตัณหาไม่ให้ครอบงำไม่ให้เบียเดเบียนเพราะการฝึก อ, อบรมอย่างนั้นมีความสุขความสบายความเยือกความเย็นเป็นผลเป็นประโยชน์ถ้าองค์เห็นอย่างนั้นจึงเมตตาสงสารถึงจะไม่ใช่ยากไม่ใช่มิตรของท่านถึงจะไม่ <c oughs> มีความสนิทรักให้กันก่อต่างอยาก จะให้บุคคลผู้นั้นอุตส่าห์พยายามทำคุณงามความดีให้ได้รับผลไปจากแท้จริงขึ้นในตนของตนเพื่อว่าผู้นั้นเมื่อได้รับความสุขจากการอบรมจากการกระทาบำเพ็ญของตนจะได้แนะนำคำสอนบุคคลผู้อื่นให้ได้รับผลคือปลกตนของตนให้เห็นไปจากขึ้นอีกศาสนาที่เป็นมาได้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นมาได้้ดวยอนิจโดยถ่ยเดียว อาณาจัจะมีมากมาย ก, กายกองสักเท่าฉร่จะสร้างผูฏเรียหารโบสถ์ใหญ่สักเท่าไฉลยสง่าสวยงามสัจเฉลยถ้าหากผู้อยู่ผู้อาศัยไม่มีธรรมไม่มีวินัยไม่มีความหมายเอาเลยสถ า, านที่ก่อสร้างจะสวยสดงดงามสัจเทฉร่กว่าตามแต่เป็นบ้านโจร ไ, ไปเสียเป็นวัดโจรไปเสียผู้ที่อยู่อาศัยไม่มีธรรมไม่มีวินัย ไ, ไม่มีข้อวัดปฏิบัติอะไรใครเล่าอยากจะเข้าไปทําบุญให้ฐานใครเล่าจะ อยากเหเขาไปตาไปไว่ามีแต่คนกลัวกันเท่านั้นเพราะผู้อยู่ผู้อาศัยเป็นทิศเป็นไคยเป็นเสือเป็นผีไปเสไม่มีคุณงามความดีอะไรจะไปแจกจ่ายให้บุคคลผู้เข้าไปได้รับความสุขกายสุขใจเหตุนั้นตามสร้างจิตสร้างใจจึงเป็นของสำคัญกว่าสิ่งอื่นทั่วไปหากผู้อยู่ในวัดหรือหากท่านผู้ปฏิบัติได้รับความสะดวกสบาย ในการกระ ท, ทําบำเพ็ญทางจิตทางใจจิตใจของท่านเยือมเย็นเป็นสุขจิตใจของท่านรู้เข้าใจในธรรมในวินัยแามใสชัดเจนขึ้นถึงที่อยู่ที่อาศัยจะอยู่ร่มไม้หรือทรายเขาจะอยู่สถานที่ไม่มีสิ่งก่สร้าสงสวยงามอย่างไรก็าตามบุคคลอื่นที่มาเห็นเข้าหรือได้สดับรับฟังธรรมคำสั่งสอนจากท่าน มาเห็นจิริยามอรยากหรืเห็นการประพฤติปฏิบัติของท่านยอมเกิดความพอใจเกิดความเลื่อมใสคุณดีเลียหารหรือการก่อสร้างจะต้องเกิดขึ้นสมบัติทัศฐานไม่ต้องไปร้องขอหรือบอกกล่าวจากบุคคลผู้อื่นด้วยความเลื่อมใสใจศรัทธาที่เขามาเห็นผู้ประพฤติปฏิบัติจางหน้าจางตาทาจริงทําจังเขาก็ยอมสละทราบของเขา ให้มาก่อร่างสร้างขึ้นในสถานที่หล้นนั้นเป็นวัดเป็นบาเป็นกุฏีวิหารขึ้นถ้าหากจะเอาตั้งแต่ฝ่ายวัตถุจะอวดกันแข่งกันแ บ, บบบวชของเราใหญ่ขนาดนั้นกว้างขนาดนั้นใหญ่กว่าของคนนั้นวัดนั้นเลสลาของเราสวยงามอย่างนั้นกุฏิของเราใหญ่โตอย่างนั้นอวดกันแต่แตเตียงแขงนมีส่วนจิตใจไม่คํานึงคํานวณถึง ข้อวัดปฏิบัติไม่มีาศาสนาก็เป็นมาในดไดยอดเสี่ยมสลายไปนมนานแล้วนี่าศาสนาที่ดำรงคงอยู่ด้วยอำนาจที่ผู้ประพฏิบัติเห็นคุณงามความดีภายในจิตในใจของตนแล้วเน้นํำพําสอนบุคคลผู้อื่นและรักษาข้อวัดปฏิบัติที่ตนของตนทำมาเคยได้ผลอย่างไรอุตสาหพยายามรักษาเอาไว้คนอื่นที่เขามาเห็นเข้ามาศึกษาทางธรรมะธรรมโม ก็เกิดความเชื่อความเลื่อมใสสละทรัพออกสร้างที่อยู่ที่อาศัยให้เป็นอย่างนิสัยว่าจะแข่งกันทางด้านวัตถุท่านแข่งทางด้านการชาระจิเรตตัญหาเป็นมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้รับยกย่องเพราะการประพฤติปฏิบัติดีชาระจิเรตตัญหาออกจากกายวาจายใจทองตน คำสอนทุกบททุกบาทมีค่ามีราคามากมา ย, ายก่ายกองเพราะคำสอนของท่านออกจากความบริสุทธิ์คือจิตของท่านบริสุทธิ์ส่วนคำสอนของพวกเราท่านทั่วไปสอนกันในสมัยปัจจุบันถึงจะหยิบดยกดหรือยืมคำสอนของท่านมาสอนคนอื่นแต่กายวายจาหรือการกระทำของตนไม่ตรงตามคำสอนจึ่งเป็นของสี่ ตอมแปลงหรือเป็นของผิดไม่มีค่ามีราคาเหมือน ก, นกันกับของของพระราชาเมื่อพระราชาชาอยู่ถืออยู่ยอมเป็นของผิดมีคุณค่าอย่างลองเช้ากบอยากหวัาสล้องพระบาทไปดาบคนอย่างพระขันไปอะไรทั้งหมดเป็นของพระราชา <c oughs> เป็นของมีค่าสูงขึ้นอย่างนั้นถ้าหากมา เป็นของคนธรรมดารองท่าธรรมดานี่แหละดาบธรรมดานี่มันเป็นอย่างนั้นมีคําสอนของพระพุทธเจ้าออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์หรือพระองค์ทรงสอนก็เป็นพระราชาในทางธรรมสอนอะไรคนเชื่อคนเลื่อมใสเพราะการปฏิบัติทางกายทางใจของพระองค์เป็นจริงส่วนเราจึ่งมีกิเลสตัณหายืมธรรมะจากพระพุทธเจ้า มาสอนกันซึ่งไม่ค่อยได้ผลได้ไประโยชน์และคนสมัยนั้นกับคนสมัยนี้ <c oughs> พูดถึงบุญบารมีท้าหาเจะเทียบกับเรื่องต้นไม้หรือการสู่ฝังพืชพันธ์ต่างๆก็เหมือนกันกับแตงโมเมื่อเราปลูกใหม่ๆต้นลูกที่มันเกิดออกก่อนเขาจะเป็นลูกใหญ่แต่ต่อๆไป จนมันสุดยอดลูกจะต้องเล็กลงไปสูกผลของมันเป็นอย่างนั้นวัดชนาบารมีของพวกเราท่านก่อทานองอยากจะเป็นอย่างเดียวกันเพราะสมัยนั้นได้ยินแจกข่าวว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกก่อเต็มอกเต็มใจอยากจะไปสดับรับฟังอยากจะไป ป, ปฏิบัติแต่สมัยทุกวันปัจจุบันนี้ต้องบังคับกันเป็นบางชาวบางสมัยจึงเข้าวัดเข้าว่า ไม่อย่างนั้นต้องหาเครื่องลอเส็นลิเกหรือภาพยนตร์หรือหมอลำเพลงต่างล่อให้เขาไปวัดว า, าศาสนาทำไมมีคนเข้าวัดเข้าว่าเข้าไปหาพระหาเจา้าคนที่อยากจะเข้าไปป่าไปว่าไปสะดับรับฟังทำคำสั่งสอนไปประพฤติปฏิบัติจนคงจนเพื่อบุญเพื่อกุ้สลจริงๆจังจงหายา การเขวัตเขวังตามพระตามเจ้าหรือการไปในสถานงานบุญต่างๆโดยส่วนมากก็อยากจะไปดูเ ห, หมือนว่ารศนอกจากนั้นก็ยังมีคนติดตามพระตามเจ้าหรือไปในงานอย่างนั้นไปจากคำพูดของครูบาอาจารย์ว่าท่านจะบอกบาดบอกเบอร์หาลํำหารวยทางอ่ามีเตจีโดยไม่ได้ไปคำนึงคำนวณว่าท่านเขตหนักเบาอย่างไรจะเป็น ใครเป็นเบนอย่างไรจะเป็นผลเป็นประโยชน์อย่างไรไปนำมาที่นิ่ิี่เจรณ า, าหรือแก้ไขกายใจของตนมีน้อยที่สุดหา ย, ยากแสนยาเหตุนั้นการฟังธรรมหรือการเข้าวัดเข้วานในปัจจุบันทันตาผลประโยชน์จึงมีน้อยเข้าไปทุกทีทุกทีจิตใจของพวกเราและจิตใจของมนุษย์ทั่วไปสมัยปัจจุบันจึงเต็มไปด้วยกิเลสตัณหามานะทิสิโจนผู้ร้ายกลมมากขึ้นช่มขึ้น การลักการสม oi การไม่ไม่ไวเนื้อเชื่อใจกันเกิดขึ้นทุกผลทุกแข่งทุกมุมเมืองด้วยอำนาจทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เข้าไปฝังอยู่ในจิตในใจของเขาจึงเกิดความสั่วชาลามกขึ้นไวเนื้อเชื่อใจกันไม่ได้ทําอะไรก็ทําไปตามเรื่องของกิเลสตัณหาไม่ได้คํานึงถึงทําถึงดีในถึงความดีความสั่วอย่างไรทําไปตามความชอบใจของตนอย่างนนั้ เท่นะทำคาสั่งสอนสมัยปัจจุบันถ้าหากบุคคลผู้ใดไม่ประพฤติปฏิบันแล้วถึงจะมีทำอยู่ก็ไม่เป็นผลเป็นประโยชน์ให้เหมือนกันกับมียารักษาโรคอยู่แต่บุคคลผู้นั้นไม่เอามารักษาไม่เอามากินหรือไม่เอามาทายาก็ไม่มีคุณค่าอะไรจะเป็นลากไม้หรือเป็นยาสำเร็จรูปก็ตามไม่ยังประโยชน์ให้ ไม่ทำให้โรคภัยเหียดแห้งหรือหายไปแก้ไขอะไรไม่ได้ทางนั้นทาคําสั่งสอนของผู้ใช้จ้าที่มีอยู่ในสมัยปัจจุบันท่านตาต่าอทานองเดียวกันพวกเราท่านไม่ได้เอามาฝึกจิตอบรมใจปล่อยเอาไว้ตามตำรับตำราหรือตามครูบาอาจารย์เสียไม่ได้มากําจัดปัดเสารเรี่อความชั่วออกจากตัวของเราพวกเราชั่วอยู่อย่างไรก็ชั่วเรื่อยไปไม่มีวันใดเวลาใดที่จะเกิดความผ่องใส หรือจะชำร ะ, ะสาสานความทั่วออกไปได้หากพวกเรานำมาประดับประดานํามาชิ้นิพพยานะํามาประบัติปฏิบัติแล้วจริงที่ท่านเนะท่านสอนออกไปทําคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเราเก็บเอามาชิ้นิพพยานะว่ากายของเราจะรักษาอย่างไรราจาของเราจะรักษาอย่างไรใจของเราจะรักษาอย่างไรเรานํามาพี้เริญนะ รักษาตามธรรมะที่ท่านสอนเอาไว้กายของเรากจะเกิดเป็นกายดีขึ้นวาจาก็เป็นวาจ า, า, จาดีขึ้นใจก็จะเป็นใจดีขึ้นทมจริงจะเป็นของที่มีสาระประโยชน์ไม่เป็นของอาภัพเป็นของที่จะนำความสุขมาให้แก่กายแก่ใจของเราโลกทั่วไปหากมีธรรมเป็นของเป็นเครื่องรักษาโลกจะมีความสุขความเจริญครอบครัว ผวเมียก็จะเป็นอยู่อย่างราบรื่นทางวัดก็เป็นผู้ศีลปฏิบัติ ด, ดีทางฆราวาสอย่าโยมก็เป็นผู้ศีลอุตส่าห์พยายามทําตามฆราวาสแต่ทำของสนผลที่สุดโลกก็เลยโลกมนุษย์ก็เลยเกิดเป็นเมืองสวรรค์ึุดเพราะความดีมีธรรมฝ่าจำจิตประจําใจของบุคคลเหล่านั้นโลก ก็เลยเป็นโลกที่เยือกเย็นเป็นสุขหากเราท่านทุกคนหมั่นทิ่นี่ทจารณาฝึกฝนหรืออบรมตนของตนโดยในที่อธิบายมาพยายามแก้ไขความชั่วหรือระวังสังวรความชั่วเรียกว่าบาปถ่วไปไม่ให้กายในหาจาใหใจของเรา <c oughs> ไปทําไปพูดไปคิดความชั่วเหล่านั้น ก็จะไม่จิตกายติตวาจาจิตใจของเรากายของเราวาจาของเราใจของเราเมื่อไม่มีความชั่วมาครอบงําหรือไม่มาติดข้องกายของเราก่อจะไม่เศร้าหมองกายของเราจะเป็นกายข่องใสวาจาของเราก็จะเป็นวาจาที่น่าจับใจจิตของเราก็จะมีความสว่างสวยเพราะความชั่วทั่วไปไม่ได้ไปปกติเอาไว้ความดีทั่วไป มันประกอบมันการทำมันศึกษามันภาวนาให้เกิดให้มีขึ้นหากบุคคลผู้ใดอุตส่าห์แต่ทำความดีทุกวิถีทางทางกายก็อุตส่าห์พยายามทำทางวาจา ก, ก็พยายามพูดทางจิตก็มันพยายามเลิกคิดติดตามเรื่องความดีอย่างนั้นจิตใจของพวกเราท่านก็จะเป็นจิตใจที่ผ่องใสจิตใจที่มีค่ามีราคาเพียดนั้น ขอพวกท่านผู้ใจรายจะมีใจชนทุกท่านทุกคนเมื่อได้รับศีับตับฟังคาคําสั่งสอนอย่างที่อธิบายมานี้จงนําไปทีนิตที่เจรนาชำระชั่วออกจากตัวของตัวจะ ท, ำำทําบําเพ็ญความดีให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อทุกท่านทุกคนอุตสาห์พยายามฝึกฝนละชั่วบําเพ็ญดีอย่างนี้ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในอวสารการอธิบายธรรม ขออั น, นาจคุณพระรัะนตนตรัจงปกปักรักษาพวกฉันทายกอุบาสกอุบาสิกาให้มีความสุขความเจริญทุกสวนน่ะเยวังก็ ม, มีด้วยประการแลนี้